อะบรนดาท่านพระวิสุทธวันเลนและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณสามสิบนาทีแต่ถ้าว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาบรรดา ที่สุดสทันน้งหลายเพื่อจะได้ทราบพิจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณนะคําว่าจรณนะแปลว่าความประพฤติมีสิบห้าอย่างด้วยกัน สำหรับเจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าพิสุทธิมันเลที่บวชก้ามาในเระพุทธศาสนาตลอดจนทั้งบรรดาบ า, บาสุกบาธิกาทั้งหลายที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จตุสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงเจรณะสิห้าไว้เป็นเบื้องตน้นคําว่าเจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติสิห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียง ว, ว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัญยาณชนคือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรีย ก, กว่าอารยชน อั้นี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาค พ, พื้นเบื้องตนเชีนนั้นบรรดาท่านพุเทศาสเนกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาบิ้สุสัมเนธทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้เอาเครนเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผู้ใดบุกร่องในจริยะ ในจาระณะคือความประพฤติสิบห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็สแสดงว่าท่านทั้งหลายไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จเป็สัสมมาสัมพุทธเจ้าจริงแล้วก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริงถ้าใจบวชเข้ามาก็ถือว่าศักดิ์เป็นบวช แต่ถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นกาวฝากเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะทวีสาวะพระองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์ดังนั้นคบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็ น, นดีและประพฤติปฏิบัติตาม การระพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจําไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกําลังใจให้อยู่ในเกลี้งความประพฤตสิบห้าอย่างตามที่เยกล่าวไปแล้วนี้แล้วก็จงเข้าใจไว้ดีว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับสิบห้ารายการนี้โอ้สมเด็จพระจินอสีบรมัสสดาสัมมาสัพพเดชเจ้า ทรงตรัดว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กันนี่สำหรับเจรนาสิบห้านี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่ แต่ว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในเจรณะขึน้นได้แต่ความประพฤติสิบห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกัิญาในชนประสมค์นว่าจะเป็นภูชนิยะบุคคลเบื้องตนได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจา้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสิบห้าอย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่า บางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอล้วก็สามารถไปสวรรค์ไปฟุรุลโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือปโสดาบันยิงเป็นแค่จุดเริ่มต้นนี้ก็ขอทุกท่านต้งโปรดจําและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเอง ที่เกิดมาแล้วมีรู้สึกว่าจะขาดทนสำหรับจริาสิทธานี้ท่านแบ่งเป็นสามหมดด้วยกันสำหรับหมวดต้นมีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งศีลสมธาสิ้งพร้อมในศีลสองอินทรีสังวรสมรวมอินทรีสามโภชเนวมัตัญญูตา รู้ความพอ ด, ดีในการบริโภคอาหารสี่ชาตริยานิโยคและก็ความเพียงของผูุคลผูต้ตื่นอยู่นี่เป็นหมวดที่หนึง่งสี่ข้อสำหรับหมวดที่สองท่านเรียกว่าัรธรรมมีเจ็ดข้อคือก็ห้าศรัทธาความเชื่อหกยิริความละอายแก่ใ จ, ใจ เจ็ดโอตปะความเกรงกลัวผื่องความผิดแปดพระหุสัจความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มากเก้าวิทยะมีความเพียนสิบสติระลึกได้สีกปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันนี้เป็นหมวดที่สอง สำหรับโมดีสามทงกล่าวทกล่าวว่าสำหรับโมดีสามนี้มีสี่ข้อด้วยกันในกระชานในกระพวกรูปกระชานเอ็ดดีสองปฐมวชานชานที่หนึ่งสิบสามทุติยชานชานที่สองสิบสี่กาติยชานชานที่สามสิบห้าเจตุติชานชานที่สี่ นี่เป็นอนุวาสํำหรับเจรณะสิบห้านีถ้าเราพิจารณาแล้วทั้งสิบห้าขอ้อสมเด็จพระสมัมาสสมพเรชเจา้ายังไม่ไดสอนถึงความเป็นบัศโดาบันคือเข้าขั้นพระอริยเจา้าเป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคำ ว, ว่าปฏิบัติในที่นี้กับมายถึความว่าเรามัดระวัง ไม่ใจของเราคือเกลือดครัวกับสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาสู่ความทุกข์ได้แก่ไบยภูมิเป็นต้นตอนนี้ไปก็จะขออธิบายเป็นข้อในหมดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเื่องกล่าวว่าศีลสมราาถึงพร้อมได้ศีลคำว่าศีล บรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวีนันที่มาในพระปฏิโมก์แล้วก็มาทั้งนอาากปฏิโมก์ที่เราเรียกกันว่าพิสมาจารสำหรับสมณเณรก็ต้องปฏิบัติในสิ้นใิ้ครบถ้วนแล้วก็มีเสกีวัดอีเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสิกขาบทสำหรับอุมาสุขุมาสิกา อันดับต่ อ, อันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระบรรดาพระทัานหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัตหรือว่าศีลที่เรารกษา เรามีทางแก้ตัวได้เว้นไม่แต่อาบประราชิกถ้าอวบประราชิกต้องหอนแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสูจน์สำหรับสังคาริเีเสษมาต้องหอนแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะคนแล้วก็บัตรนอกนั้นถือว่าเป็นอาบประเภทเบามาต้องหอนแล้วเราเทสนามบัตรแล้วก็อัวบัตรก็หาย ความจริงได้ว่าท่านหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จโตสัมมาสัพพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพราะไดเพร่ะว่าสีขาบทุกสีขาบทที่องค์สมเด็จโตสัมมาสัพพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนให้เราละเว้นคําว่าสีนี้เป็นคําสั่ง สำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติที่นี่ว่าคำสอน <c oughs> คำสั่งนี่ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไม่เราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง <c oughs> ท่านี้ถ้าละเมิดสี่ขาบทใดสี่ขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าสดง บ, บาตตก สมัยพระท่านธรรมะจวังให้มากเพราะว่าพระก็ดีนีงก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นภูชนียบุคคลเป็นคนที่จะไหว้กลับไหว้บูชาก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ท่าน <c oughs> นีการอบสมบัติบัญญิชาท่านถือว่าเป็นสามัญญผลเธอเมื่อบดเข้ามาแล้วคนที่ปีฐานะต่ำมาก่อนก็มีศักดิ์ศรีต่ำก็มีเจตคุณต่ำก็ตามเมื่อบดเข้ามาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดพระษัทก็จะบรท้าจินรตคนที่เราเคยไหว้ท่านท่านก็กลับไหว้เรา นี่เวลาใครที่กจ็จะของมาให้แทนที่เราจะไหวหัวให้ผู้ให้ก็หไหวเราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนพิสูจ์สมณีทั้งหลายที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทต่นี้พ ร, ร่อใดพาะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรแก่การเคารพเสกการะของปวงชน นั่นก็แสดงว่าเราอักตันยูเตองค์สมเด็จพระทศพลบรมสาร์สนาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามธรรมบาลีเทนิวะเทนะหมายถึงหัวขโมยเพื่อขโมยเอาเพ่ของพระารหันมาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาบ้านเขาสักการะเขาไหวเขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดี นีม่มว่าเจ้าสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเชน่นเสคยาวัตที่เรียกว่าเป็นอวบทุกกดบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยแล้วเมิดแล้วไม่มีโทษข้าค ว, วามจริงคําว่าอวบแต่ว่าการต้องมันชนกับความชั่วเขา ถ้าเราไปชนกับความชั่วเข้าเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมาอยู่ที่ใจเราเพราะทั่วใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลวเมื่อความเลวเข้ามาถึงเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวจะเป็นบุคคลที่ควรกับการสการะบูชาแต่เขามันดาบวกงชนทั้งหลายไหม ทุกคนก็นอาจจะตอบได้ว่าเราไม่โศกคนที่จะเสกการะบูชาเขาบุนคคลทั้งหลายฉะนั้นในเมื่อเราไปรับเสกการะบูชาเขาปวงชนทั้งหลายเขาย้าเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแน่ฉะนั้นสี่ขาบ ท, ที่สิข่ขาบทที่กล่าวว่าเทสนาบัตหายนั้นไม่เป็นความจริง อาบัตที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งลงไปการเทศนาบัตก็เป็นการแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทําอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีกคือเราจะไม่คิดจะทําอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทําทําแบบนั้น เป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาบัตรในสมัยปัจจุบันยิ่งมีความเลวทามมากไม่รู้ว่าแสดงอบัตรกันเพื่ออะไรการเทศนาบัตรหรือการแสดงอบัติก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่ฟิกรเขาทำกันแต่ว่าเราทํากันมาก่อน ทำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทําความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มากเด็กันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์และวกบายความชั่วร้ายความผิดที่เราทําไว้ว่าเวลานี้เราไปทําปิอะไรเข้าได้จิตอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านปุในวังกฤตสามิกระผมจะไม่ทําอย่างนี้อีก นกปุเนวังพาดิสามิกับผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนกุเนวังกินดิสามิกับผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่เพิ่ ง, ง, งที่การแสดงเทียนสนามบัดก็ยังทราบได้วา่า <c oughs> ความชั่วเป็นความชั่วดูแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทําความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนและชําระหนี้ความชั่ว สมัยความวาชั่วนะ่ะมันชั่วแล้วแต่เราจะทําความดีหยิ่งไปแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นอันคําว่าศีลสมถะถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่วความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าเราเมิดสิกขาบทในสี่สิกขาบทต้นเป็นน้ำบัตรประราชี อันนี้โทษหนักมากทําสังฆกรรมต่งางๆให้เสียหมด ต, ตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพร ะ, เ ป, ระเป็นนอนกับพระเป็นนั่งร่วมกับพระนั่งอัศนะเดียวเสมอกับพระอย่างนี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังเอเวจีมาหานรกสําหรับสมเนีนทาเมิดสิงคนดี ปรามาตรคือว่าดูถูกดูมินแสดงความไม่เคารพในพระธรรมตรัยก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมมเณีถ้าอยากทรงเพศถึงเป็นสมมเณีอยู่ก็จะพบกับความทุกอย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพและถือไม่ได้ แล้วต่อก็ยังมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆมีเรืคนลงโทษไม่ปัดสนายคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายาพุก็มีความทุกข์มากขึ้นในเรื่องสาหรับสาหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี่บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวทิ้งไตรภูมิ ไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมามาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียดจะได้ทราบวัดได้ไว้วาทิ้งโทษและคุณที่ทำความชั่วดและสร้างความดีในเฉพาะอย่างยิ่งสีนสมธา <c oughs> การถึงพร้อมใยสินบางทีบรรดาพิสุสมัมในเรื่างหลายอาจจะคิด โดยเฉพะอย่างยิ่งบรรดาท่านผู้ตบริษัทที่เป็นสบ้านง่ายอยู่เพราะว่าสิกขาบทน้อยนี่สหรับพิสุสมณเองคิดว่าสิกขาบทมากทํำยังไงเราจะส่งศินให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราจะประสงค์สินให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับพิสุทสมณเองเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วย จำพมบาลีวิสุนงว่าอัตนาจทยตานังจงเตือนตอนในตนเองนี่กะหมายความว่าสิคามบทที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความในละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัว ถ้ามีสติสมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้ความจริงคนที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์เมื่อพระที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยธรมตะวางมีความภาคเพียนในคอยเสมอก็าสมมี่ส้าบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัสมมาสพัพพทธเจ้าทรงสั่งสอน เรีว่าสั่งห้ามไม่แม่ก็ทําตามนั้นเราไม่ทําถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนะว่าวาดไว้สักเล่มหนึ่งนีการศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมักจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้และเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอวบศิข้าบทนี้เป็นิีข้าบทเบา หลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้ถ้าเรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรถ้าเรายกกระต้องการความการหลีกเลี่ยงแจกสิขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบทเป็นพระเป็นเนร <c oughs> เพราะาเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้ เป็นอนุาเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้ากาวสาวพัตฉะนั้นของบรรดาเพื่อนวิสุทธสมเณรทั้งหลายคำว่าศีลสรรมทาเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบทเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความดีอะไรเลย หากว่าท่านจะถามว่าเราจะมสมาธิวิบัสินาญาณมีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือก็ออต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงสอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายัางหยิบไม่ได้เรายัางถือไม่ได้เรายัางรักาไม่ได้ แล้วก็การเจริญสมถาภาวานาวิปัสนาภาวานาที่ดังกล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหนตวงความแล้วไม่มีอะไรเป็นผลเพราะอะไรเพือว่าของหยากรักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันดังนั้นขอบันดาเพื่อพิสุทธิสมณีทุกท่าน โยงละมัตตวังให้มาใชาส้สติสมัจัญญาให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติอย่าท่านนงตนว่าเป็นคนรู้แลว้วอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานแนะบวช ด, ดีมีประโยชน์ถ้าบวช เ, เร็วเร็วก็ไรประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาโยพุทธบริษัท สิ่ห้าเบี้การของท่านที่จะสมบูรณ์แบบได้ก็ว่าสายภูมิหารสี่คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไมบบค่คิดประทุสลายบุคคลอื่นข้อที่สองมีความสงสารปรารถนาในการเกื้อกุณบคุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อที่สามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาดุจย้าบคุคคลอื่น สี่วางเฉยมากกว่ากรรมคือมาถึงตนสาหรับพอมีหานสี่นี่ที่สูตรสมัเลนมีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติไปจําใจถ้าท่านยังหลายขาดพอมีหานสีร่รายการนี้แล้วก็เป็นอันวา่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้ง น, นี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจนหลังไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันดาสัมปายกบท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอจะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยท่้งนี้เพาอะไรเราะภาพพื้นแห่ความดีประเภทยากท่าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาสิ้นใจ จใจชั่วมันก็สั่งให้กายทําชั่วสั่งให้วาจาทาชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นแล้วสําหรับวันนี้การแนะนําในด้านจริยะจรรมจรณะคือความประพฤติที่มีความสําคัญที่เราท่านหลายจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่ขขเวลาข้อยุติว่าจะเกียงเท่านี้ต่อจานี้ไป พระบรรดาท่านล l ยตั้งใจศึกษาถ้อยคําที่เจ็บเพื่ประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระ อ, องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาในจริยธรรมที่ว่า ด, ด้วยพระโสนาวันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้ <c oughs> เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติให้เป็นไปตามคำแนะนำที่ในแนะนำไว้เท่านั้นล้วเราต่อที่นี่ไปเขาบรรดาท่านหลายโปรดตั้งใจสะดับ